ฟังทกันเนาะก็ะฟังจ็ตั้งใจฟังผู้พูดจะตั้งใจพูดในสิ่งที่มันถูกต้องอาศัยการนี้เวลานี้แสดงธรรมหมาะที่สุด หลังจากการพักผ่อนหลับ้อนชื่นมาคืนหนึ่งก็ทำกิจวัตรประจำวันเพื่อเพื่อลลายยางเพื่าทำหน้าที่ เป็นปากเป็นเสียงเป็นสติปัญญาเป็นขาเป็นแขนแทนบุคคลที่เป็นกนตัญญูกตเวทีด้วยบุพก า, าลีเคยทำในใจกับบรรพบุรุษครวาอาจารย์พ่อแม่มาว่า เห็นพ่อเห็นแม่ตายตอน้าต่อตายตเห็นลูกเห็นหลานล้มหายตายไปเห็นควัวจานอนภาพไปเยี่ยมบ้างเยี่ยมคัวจานป่วยเชิญเยี่ยมบ้างก็ได้เขียนไว้ว่า ไปมากับเยี่ยมหลงพ่อหลงปู่ในอาภาษดีแต่ว่ามีกำลังใจจะปฏิบัติแทนหลงพ่อหลงปู่อาจารย์นเป็นปากเป็นเสียงเป็นขาเป็นแขนเป็นสติปัญญาแทน ดังที่ท่านอาจารย์หลวงพ่อได้สแสดงได้บอกได้สอนมาจะทำหน้าที่จนสุดความสามารถได้พูดอย่างนี้ไ ด, ได้พูดกับหมาจาต่อหน้าต่อตาผมขอเป็นคนหนึง่งที่จะทำแบบ สามรออ้อยเรพก็ให้ได้มากที่สุดแต่แม่ตายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยพูด อ, อ, อยู่ในใจเพูดกับพี่กับน้องว่าจะเป็นหนึ่งของลูกของแม่ของพ่อ จะปฏิบัติหน้าที่แทนให้ดีที่สุดแม่เลี้ยงเรามาจ ะ, จะทำหน้าที่จะดูแลกันพี่น้องลหลายๆคนจะไม่ทะเลาะว่ า, ากันจะช่วยเหลือกันดูแลกันจะไม่ทอดไปทิ่งกันเด็กทอ ด, ดแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไอ้พูดตอนงนี้ลูกเห็นหลานตายไป อูมไมในมือตายต่อหน้าเราเลยมีกำลังใจแต่เป็นความทุกข์ก็เป็นความทุกข์แบบลึกซึ้งมากคนที่เรารักเช่นพ่อเช่นแม่ที่เขาล้ตายไปก็มันลึกซึ้งใจไม่ใช่แเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรเลมั่นใจขึ้นมาเช่มแข็ง ข, ข, ขึ้นมาอย่างนี้ ก็เลยทำประมาทไม่ได้เพราะต้องไม่ใจต้องสัญญาใจอย่างนี้มาตลอดบางทีซึ่งแต่เราเป็นครา ว, วา่าเห็นพระเห็นสงฆ์ทำไม่ดีผิดศีลผิดธรรมมีปัญหาอยู่ตลอดได้เห็นข่าวบ้างก็เราจะพูดในใจว่าเราจะแก้เป็นพระเอง น, นะ เราเองละ่ะทำไมายึงเป็นกันอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้เมื่อตั้งใจอย่างนี้ก็มาอย่างนี้จริงๆเมื่อมาแล้วก็ล้มเหลวมันก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนี้เวลาเราตั้งใจอย่างนี้อะไรที่เรามา็ลูกพยายามเึก้ย ง, งให้ลูกอะไรที่เราไม่แจ้งก็ทำให้แจมแฉงอะไรที่ไม่ เข้าใจก็ทำมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาจากการศึกษาการปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาใจตัวเองคนเดียวก็อยอมเป็นโจทย์ให้กับตัวเองไม่ได้ประมาทจนมาถึงกับความเห็นความแก่ความเก็บ ค, ความตายนี่ก็ยิ่งโจทย์ตัวใหญ่ที่สุด เราก็ยังต้องประมาทไม่ได้เวลาเราไม่ร้มหายใจเข้มแข็งอีกหนึ่งเราเป็นหนุ่มเจอกับปัญหาเยอะโลกเจ๊ะเคยมีลูกมีเมียเคยมีคู่รักคู่ชอบเคยมีอะไรต่างๆมีจดดันหนาเต็มถั่วมากันก็ได้สู้้รงต่อ้รองใกันวัดเวียงกันก็รู้สึว่า มีความประทับใจที่ได้ใช้ช น, นะบางจีบบางอยากมาเป็นเพื่อนเป็นตอนเนี่ยเนี่ยด้วความเข้มแข็ ง, งที่มันไม่สั้นหวัใจอยู่เสมอไม่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ประมาทเลยจึงให้มั่นคงย่องยืนคงเช่นคงบ่มาตลอด จะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แม่ถ้าผมเหงากไปมาแล้วก็ยังเห็นอะไรที่ควรจะทําควรจะแสดงออกวันที่ควรทํามา ไ, ได้หมดเรี้ยวมดแรงเหนบ้านเห็นว่าอาดามต่างๆเห็นเดินเห็นแม่น้ำเหม็นต่างๆเห็นจีงต่างๆก็อยากจะทำแต่มม่ทำไม่ได้เห็นน้ำไหลตกลงมาน่าจะปลูกต้นไผ่ ก็ไปตรงนี้ชักก่อหนึ่งสองก่อขวงกันน้ำเอาไว้เห็นชาวบ้านเห็นน้ำเป็นโกเป็นเหนียวน่าจะปลูกกล้วยไม่ได้ปลูกขาน่าจะปลูกตอไข้ขวงตรงนี้บางเพื่อมาให้น้ำไหลเราอย่างคิดอย่างนี้ที่เ็ยคิดสห็นคนทุกคนจนทำแบบจงยากจนมันทำได้อยู่เนี่ย มันทำได้พืชบางอย่างไม่ลำลมลี่ลำลหลห่วงไม่ในดินมันก็ยังบวชได้อยู่ได้กินได้ผักมังไปเทศปลูกตลอดปีตลอดชาติกลยังเก็บกินได้ทำไมมันยากจนนังคิดอยู่อย่างนี้ไปคิดแบบนี้แต่ว่าถ้าคิดแบบยากแบบจงก็ไม่ใช่นั่ก็ยังม่ จิตที่สํานึกที่จะไม่ยอมกับความเปลีวไหลกับความอ่อนแอความยากจนอยู่เห็นคนโกรธทาไมยังโกรธกันก็ยังคิดกันเห็นคนทุกข์ทำไมยังทุกข์กันความไม่ทุกข์ก็มีเนี่ยก็กระตือร่นอยากจะบอกาะสอนทุกข์ทำไมไปหลงทําไมไปโกรธทำไมไปวิตกกับบงวลเศร้าหมองอะไรมันตรงกันข้ามอยู่นั้นนะ่ะ เวลามาหลงไม่หลงก็อยู่ตรงนั้นเวลามาทุกขกงวามาทุกก็อยู่ตรงนั้นแล้วจะไปว่าอะไรที่ไหนจะไปล่องขอที่ใดก็ก็ยังเขือคนอเหนื่นและยังขยันเรื่องนี้จะต้องบอกตรงนี้ให้ได้ก็ยังคิดอยู่ก็ทาอยู่มันมีสิ่งที่มันมีผิดแล้วก็มีถูกอยู่ที่นั่น โดยพ่อพากประิบัติรบ้าง้อมปัดต่อหน้าต่อตา ต, ต่อกันสมผัดจริงๆกับสิ่งที่ผิดที่ถูกไได้เห็นได้ทัดนาญลัษลตรยะได้ดูได้เห็นได้สมผัดกับสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเอ็นตั้งใจจะยกมือให้ลูกจากตัวมันก็คิดไปทางนนทางนน่ๆเราได้สอนตัวเอง ก็กลับมาในกลวงรู้สึกซะเนี่ยมันก็ทําได้อยู่เนี่ยไม่ยากกันเลยว่ได้คําแดดคดําฝนทัหลายให้หลังสู้ว่าหน้า่โซดินัดลายเราก็มีกายมีใจเป็นสิ่งที่บอกผิดบอกถูกเปลี่ยนความไม่ถูกให้เป็นเรื่องถูกอยู่เนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยกายเราก็มีอยู่เนี่ยใจก็มีอยู่เนี่ยโดยสอนกายโดยสอนจิตใจอยู่เนี่ย สอนเราสอนเ่าอยู่เนี่ยแล้วก็สมบูรณ์ที่จุดของสอนสมบูรณ์ไม่ต้องไปส่งระหาที่ใดมีสติประยกาศเป็ น, นไเจมมีความเพียรมีใส่ใจสอนความพอใจละความไม่พอใจออกมาให้มีความรู้สึกตัวพระเจ้าก็สอนอย่างนี้ แล้วก็เราก็มาได้หาคิดหาอะไรที่ไปฉีดหาเครื่องมือม้ฉีดพิจูดกันไม่มีเลยเอาในตัวเองเลยก็กลับมารู้จักตัวเนี่ยก็ทำหน้าอย่างนี้ไไยไม่น่าจะเกียดเขาไม่น่าจะท้อถอยเห็นต่อหน้าต่อตาบางทิ้งไปบ่อยต่อหน้าต่อตาทิ้งกับมืออย่างเนี้ย มันรู้สึกว่าหยาบคายที่สุดอยู่ที่มันผิดทิ้ทงไว้ในผิดที่กายก็ทิ้งไว้ในกายตั้งแต่บีไม่ทิ้งก็ได้ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกเสซะเวียนควมผิดให้เป็นเรื่องถูกนี่ปล่อยความผิดให้เป็นเรื่องผิดไปในกายในใจอยู่ยังเป็นอยู่เช่นนั้นจมความทุกข์ก็จมความโกรธก็จมเอาต้องมาไป ทำไมไปขอคลียกับจียงหลานีทำหมไม่ปล่อยออกไปวางออกไปสละอารมณ์เน่าที่เป็นค่าศสกยตอกกุศลมันไม่ใช่กุศลอารมณ์เน่าหรือว่าอกุศลความหลงเป็นอกุศลความทุกข์เป็นอกุศลอย่าปล่อยมันเที่ยวไปในการในใจนี่ผมก็ทําได้อย่างนี้ จนประทับใจได้เปลี่ยนลายเป็นดีมาตลอดประทับใจมันก็ไกลออกไปเรื่อยๆไปก็ละโลูกกันเลยทีเดียวเนอะมาก็สงบดีสงบสงบเล่าจากการทั้งหลายสงบแล่าจากอกาุศลธรรมทั้งหลายก็เสื่อมสุขได้เสละทุกข์ได้ มีแต่จิตเป็นวิเวกเป็นปกติกิตบริสุทธิ์อยู่เสมอนี่เะหว่าสมมาสมาธิหัวเจจดจลอย่างนี้ตรงนี้ไม่ได้ไปเหาะเหินเดินฝ้าที่ใดไม่ได้เป็นชาติตกลุ่มบงเผ่าเราก่อเลยอยา ก, ก, ากทำอะทราของเราเด็ดแล้วเราก็มีเพื่อนมีเม็ดไม่นา่าจะว่าเปียวเดีดยวได้ย ไม่เคยเดือดร้อนกันจริงๆก็ให้โอกาสกันเต็มที่เห็นเพื่อนเป็นมิตรกันแะเลาะ ก, กันไม่ได้เด็ดขาดด่ากันไม่ได้เด็ดขาดทำไม่ไหนนี่นี่คือสิ่งที่เสริมสร้างสนับสนุนหรือว่าทำรรมาวิ่งไหนวิคือวิเศษในยะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความวิเศษ ต่ไม่เวไน น, นี่ปฏิบัติลงไปหลายครกหลาฉันก็มีการแบ่งปันกันไม่เอาเปรียบว่าเลียวกันเพรเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับคนที่มีปัญหาเคยมีปัญหาเพระเป็นมเป็นเพื่อนกับคนที่มีทุกข์เราก็เคยมีทุกข์นหัวลูก แก้ได้ขนหัวลูกเคยปเปื่อนมามาาันฉาดขึ้นมาเห็นชิงโจร ป, ปุกเป็นชิ่งที่ขนหัวลูกง่หยองให้เปิดเื่อนได้ไปกรธทําไมไปทุกทําไมไปหลงทําไมวิตูกส่งหงทหําไมไปเศร้าโศกเสียใจเลยอะรอประมาณนั้ ความเจือเท่านำเข้ามายั่งยืนยืดเนี่ลูกมันก็ไม่เที่ยงเวทานามันก็ไม่เที่ยงสัญญาที่เคยจดจำมามันไม่ใช่เที่ยงอะไรมาคิดอะไรกันสังขารที่ปรุ ง, ง, งแต่งแบบวิ่งตามมันทำไมหยุดเป็นวิสังขารสะมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่ไปติดอะไรมา ใช่อะไรมันก็ติดอนนั้นหายใจของเราเนี่มันก็ไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนไหนความจุกอยู่ที่ไหนใหนความตุ๊บอยู่ที่ไหนมันไม่มีเราไปยืดไว้เป็นอาการเป็นน้ำลมไว้เฉยๆลมมันไม่ใช่กิดอจลมมันล่ายกว่าเสือแต่ยึดมันมากัต่อตัวเองเจ็บปวดเราอย่าง น่าจะเห็นแจ้งตัวนี้กันบ้างเศร้าโศกเสีสสยใจม่นจะตรงกันข้มามนักปฏิบัติจะตรงกันข้มนามเห็นความทุกข์มันควรจะยิ้มหวนโล่เคยเห็นความทุกข์ในเศร้าโศกครับแคียใจเหงาเหี้ยวนั่นไม่ใช่แล้ว ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเห็นความทุกข์มันจะจะยิ้มแยี่ยมจะเฉ ส, สดชื่นนี่เองเห็นของจริงพี่เจ้าเห็นของจริงเห็นของอันประเสือกที่เห็นทุกข์จึงจะพ้นจากมันได้มันเราเห็นงูจึงพ้นจากกูงูมาโดยกัดเราอันตรลอยที่เราเห็นมาเราพ้นมาพราะเราเห็นไม่ใช่เขาไปเกี่ยวข้องกับมันกับเล่นกับมัน เหมือนคลื่นของน้ำถ้าอยู่ในน้ําก็ต้องมีคลื่นชัดคลื่นชัดหลงอยู่เดือนน้ํา้ะมันมีฟังอยู่งานใจขึ้นฟังรวยเห็นอย่าเป็นเนี่ยเรียกฟังเห็นทุกไม่ได้เป็นผู้ทุกข์พ้น อ, อย่ากขมทุกเนี่ยจะเป็นทุกทุกเป็นทุกไหนยอยู่ในน้ําย่อมมีคลื่นคลื่นไม่ใช่น้ําน้ําก็ไม่ใช่คลื่นอันเป็นเหตุปัจจัยต่างๆขึ้นมา ตงหากมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำมนุษย์สุนมากย่องวิ่งย่อมอยู่ในน้ำผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพรดนิพพานมีน้อยดนะทำไมมันน้อยเนี่ยนะอยากจะเสรตรงนี้นะแล้วจะไม่ยอม่อง กันไปในโลกไปจุลกายเท่ากับขนโคลกันไปสวรรค์นี่ผ่านเท่ากับเขาโครเราจะไม่ยอมตรหนมันทําได้อยอะไม่ได้ไม่ไม่ปล่อยให้ขนไปจุนโลกเท่ากับขนโคลเราไปจุนโลกได้น้อยเท่ากับเขาโคเท่านั้นให้น้อยเท่าุนเนี่ยถ้าเปียนอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามกรรมาฐานเนี่ย กรรวฐานมานศักดิสนะไม่ใช่ไยอ้อนวอนอะไรทำกับมือกับกายกับใจจริงๆสัมผัสได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปีหน้าชาติหน้าเดือนหน้าวันหน้าวินาทีนี่ดูทุกวินาทีเกิด <c oughs> <c oughs> กับรรมฐานเนี่ยเียมพรความทุกด์วินาที ยกมือสร้างเจว่าวินาทีหนึ่งรูปทีหนึ่งเนี่ยมันก็น่ำนีแล้วนะกรรมฐานเนี่ยเราไปหาอะไรที่ไห น, นจับมือมาดูเนี่ยจับตามาดูเนี่ยเอ๊กมือทีหนึ่งรูกทีหนึ่งยกขึ้นกับรูกวางกับรูป ไม่ต้องไปอธิบายเรื่องเหตุเรื่องผลให้สัมผัสให้ฝึกหัดเราต่อเอาเอกกายไปต่อความรู้สึกตัวเอาใจไปต่อกับความรู้สึกตัวมันก็มีผิดอยู่ที่กายมันก็มีผิดอยู่ที่จิตใจนั่นทุกข์ก็อยู่ที่นั้นผิดอยู่ที่กายก็ทูกอยู่ที่กายผิดอยู่ที่ใจก็ทูกอยู่ที่ใจนั่นหัดแก้อย่างนี้หัดเปลี่ยนว่าปฏิบัติปฏิบัติือหัด เปลี่ยนล้าให้เป็นดีภาวนาคือขยันรู้วิปัจนามกับรู้แกงรู้หนึ่งข้างจะไปแกง2องข้างมาแกงลอยข้างพันนนหลงข้างหนึ่งรูดข้างหนึ่งหลง2องข้างรู้สองข้างรู้เท่ารู้ตานาง น, นี้จะรู้แกงขึ้นมางัไม่ลำดีลำลายถูกหลอกก็เข็ดหลาบได้ จุกลงโทษก็เข็ดลาบได้สอนได้เพราะมันเค็ดลาบเหมือนหัวมันควายถ้ามัเพี้ยเกิดเคียนมันตีมันหรือบอกมันแล้วก็รู้จักแม้มันเป็นสัตว์ก็รู้จักเผมช้างฝึหงักัวไปควายใช้งานใชการแต่ม่ใช่ดื้อวัวดื้อหวหังตัวก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้มั ต้องลุกไม่เลี้ยวขึ้นก็ยังไม่ไปจะไม่เลี้ยวถูกหลังก็ยังไม่ไปจะเห็นเลือดไหลออกมาจะค่อยไป อ, อันนี้เต็มที่แล้วที่ว่าปรามะปทัประทะปรามะบุคคลสอนยังไม่ได้ปทัประทะปรามะสอนไม่ได้บัวใจน้ํานี่เราไม่ได้เป็นบัวใจน้ําขนาดนั้น ยกมือข้างหนึ่งลูข้างหนึ่งลูไหมมีแต่เพื่อรูเท่านั้นไม่ใช่เป็นปราบบปตรทับละมั้รอยคนพันคนมักจะรูยกมือเทียนหนึ่งลู่เทืยนหนึ่งรูจึกตัวไหมรูจึกเดี๋ยนี่มือที่ไหนยกอยู่ใครเป็นคนรูเราเป็นคนรูไม่ต้องถามใครใช่ไหมไม่ต้องถามใครใครเป็นคนรูเรารูเองเนี่ย นี่วะไม่ใช่ปะท ะ, ะ, ะปรบบะปะตมะปทะคือดื้อด้านไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ทําได้ไม่ได้อ้างว่าเจว่าหนุ่มว่าบวชไม่บวชทุกคนรู้ได้สาคนที่จุดเดามาอ้างเจเปลืก็รู้ได้หายเจก็รู้ได้ยิ่งเวลา เก็บปวดดิ่งยิ่งดีใหญ่เวลาจะตายก็ยังดีใหญ่แล้วไม่ตายราะความตายแล้วไม่เก็บผู้ความเก็บตาลู่เนี่ยแต่เรไม่ลู้เก็บกว่าเป็นเจ็บโอ้ยลบากร้องไห้น้าตาไหลร้ลองอวยอยไว้กลางกางแหงที่จริงมันไม่ต้องอย่างนั้นเดินมันเก็บเนี่ยมันสั่ง ก, กันกับผู้เก็บ เก็บเป็นเจ็บเนี่ยร้อยเปเซ็นต์ร้อยเปอร์เนเห็นเหมือนเก็บเนี่ยห้าสิบห้าสิบแบง่งเป็นการเยี่ยวอยอบรรเทาเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้ทุกข์เราจะเป็นฝั่งก็ขึ้นฝั่งง่าเห็นเหมือนทุกไม่เป็นผู้ทุกคนจับความทุกข์ขึ้นฝั่งไปแล้ว เห็นเหมืนหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงขึ้นฝั่งกันแล้วคนขึ้นฝั่งมีท่าเทือบเรือมีท่าชีวิตที่มีท่าไม่ได้ลอยโคอชีวิตลอยคอทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธเนี่ลอยโคอขึ้นไม่ได้ขึ้นยากเหลือเกิเนจึงมีวิชากระบาดกับบาลุติตัวทุกลูก่ลู่ลู่ลู่ลู่หรือกายเป็นความเห็น เห็นทุกใบเป็นผู้ทุกคนจากความทุกเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยทำเป็นไป <laughs> ไม่ดโกรธันนเป็นการสังเกตจริงๆนะกรรมฐ า, านเนี่ยเคยทุกไหมเคยหลงไหมเคยโกรธไหมเ้าโ ก, กรธที่เป็นผู้โกรธถ้ากรได้โกรธตายไม่เรื่องไปยงนั้นเลย กอโกโถกโมันกรธเลยเดี่ยแคนี้ก็โกรธเลแล้วโกรธไ้นี้จะเป็นผัวเปเมียกันได้ยังไงโกรธจากนี้จะเป็นพ่อแม่ครได้ยังไโงโกรธเป็นนี่จะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงด่าตังนมานี้นี่มันก็ตื่นเนีใบ้างนะกอโถกอโถพุทโลู่ตื just, ่นเบกบางขึ้นมาจอกสิงที่ืออย่างเดียวเออพุทโถพุทโพุทโ ไม่เช่บริกรรมว่าแต่ปากคลิโทรนตื่นหนูมาอนจะความไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องเหมนคนตื่นงูโดโดที่แรมันต้องไม่ตั้งใจกระโดดเพรเห็นหนูมันกระโดดได้แล้ ว, วกระโดดกระโดดกําลังดีกระโด ด, โดตีไปไม่งูไม่ได้การเลยทำแบบนีเลย เยาว์ yeah, ถึงจุดยอดตรอดมังกรทำไม่เป็นอะไรกระโดดถึงสุดยอดตรอดมังกรทำผาวะไม่เป็นอะไรอยู่กับคีวิตเส็แล้วสัมผัสได้แล้วกรอดกับผาวะไม่เป็นไรคือบัพปนี้ผ่านไปโน่เป็นทุกไปเป็นทุกสุดยอดหรอกกรอดปนี่ผ่านไปแล้วเหยียบฝั่งปนี่ผ่านไปแล้ว ไม่เป็นทุกข์มันทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่อริยสัจสี่เป็นอย่างนี้จึงต้องมีสติอย่างนี้แลวไปเผยเส้นมันทุกข์เราไม่ทุกข์ก็ได้เปลี่ยนไม่ต้องขอญาติจากใครไม่ต้องขอญาติจากใครเลยเปลี่ยนได้ทันที จิตที่อยู่ในตัวเราแล้วจิตที่อันชอบทำความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์มันเป็นธรรมกว่าจิตที่อันชอบทำไม่มีใครเอาให้กันได้อย่าไปเรียกร้องความไม่ชอบธรรมไปเรียกร้องไม่สำเร็จดอกความไม่ชอบธรรมต้องทิ้งไปเรียกเอาความชอบธรรมเขามาับตัวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแก้ไปก็ดีไป เ้าคนหนึ่งโกรธเราก็เห็นไม่ชอบไม่ถูกต้องแล้วก็หาทางช่วยกันค่อยๆพูดไ ป, ปคอ่อยๆอธิบายไ ป, ปค่อยๆให้โอกาสไปลกไปเร็วกันทงใหม่คนหนึ่งก็เพีรอยู่แล้วจะผิดซ่อมด้วยกันเด็กก <c oughs> ็งอสองต่อนะ ยืนมาเลยไงอ้า <laughs> ก็จบตัวนี้กับป้าฟงกับ